ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขาการพระเทลานุเทละเพื่อนสัตว์มทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในปีนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นปีสำคัญเพราะเป็นปีพุทธยันพุทธชยันตีที่พระพุทธเจ้าได้ส่ง ตัสรูมาแล้วนะเป็นเวลาสองพันหกร้อยปีนะในขณะที่ก่อนที่จะทรงตัดสรูนั้นเนะี่ยก็เป็นเจ้าชายนะศิษฐ์ฐานะมีความสุขมากนะอยู่ในพระราชวังมีปราสาท ส, สามฤ ด, ดูนะมีพระมเหสีที่งดงามแล้วก็มีเจ้าชายองค์เล็กๆที่น่ารักนะ แวดล้อมไปด้วยสิ่งที่มีความสุขความสบายทุกๆอย่างแล้วทำไมเจ้าชายสิทธัตถะนะจึงเสด็จออกมาบรรพชานะจุดสำคัญก็คือได้ทรงมองเห็นทุก์ในตรงนี้นะว่าเออความเป็นเจ้าชายนี่นะมันก็ไม่เที่ยงนะชีวิตของท่านก็สั้นๆแค่นั้นเองนะ แต่ว่าหลังจากนั้นนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือปัญญาของมหาบุรุษนะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความสุขเพียงเท่านี้นะแต่ว่ามันเบื้องหลังของความสุขนี้คืออะไรนะต้องมองเห็นตรงนี้ท่านก็ทรงเห็นว่าเบื้องหลังของความสุขนี้ก็คือความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์นะความทุกข์ในความ เกิดความแก่ความเจ็บและความตายนะความทุกข์นะในการที่เราโศกเศร้าพิไร ล, ลำพันธ์นะความทุกขนะ์ในการที่อประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะก็เป็นทุกข์ความทุกข์จากการที่พัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ความทุกข์เกิดจากการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะความทุกข์ในความยึดมั่นในรูปเวทนา <c oughs> สัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้านะหรือร่างกายและจิตใจนี้ก็เป็นทุกข์เมื่อได้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยก็มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะอยู่ในพระราชวังใ น, นี่ยนะที่มันเป็นสิ่งที่ าชาบทาไปด้วยสิ่งปุงแต่งแต่เบื้องหลังของความสุขมันก็คือความทุกข์นั่นเองนะเพราะนั้นพระพระุทธเจ้าในขณะนั้นที่เป็นเจ้าชายก็เลยตัดใจอ อ, อกบวชแสวงหาธรรมและจากเวนผู้ที่สแสวงหาธรรมนั้นจากการที่เป็นปุถุชนซึ่งมีกิเลสอยูนะ่ก็ได้คบหนทางที่จะออกจากความทุกข์ได้นะในการที่ตัดสู้ อริยสัตว์สีเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าการที่เกิดเป็นพระเจ้าแต่ละครั้งนั้นยากมากการสร้างสมบรมีนะแต่ละชาตินั้นใช้เวลายาวนานนะอย่างเช่นในครั้งที่เป็นเป็นพระสุเมธดาบทนั้นนะตอนนั้นก็ปราถนาพุทธภูมิเอาไว้นะ ขณะนั้นผู้พุทธเจ้านะในสมัยนั้นนะอันนี้อาจจะไม่แน่ใจอาจจะเป็นพระที่ปังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านก็จะเดินทางมาในเมืองนั้นนะพอดีมีหลุมเป็นบ่อซึ่งยังทำไม่เรียบร้อยก็มีน้ำขังอยู่ถ้าหากว่าพระพุทธองค์จะเดินเสด็จนะเป็นในทางนั้นก็จะเปิดเปื่อนอไปด้วยขวนตุมนะก็ได้ทรง พระสุเมดาบทในในครั้งนั้นก็ได้ทอดล่างตัวเองนะเป็นที่ให้พระพุทธเจ้าในสมัยนั้นเนี่ยเดินข้ามไปพร้อมกับสภาษาวกทั้งหลายแล้วก็ได้รับคำยกรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าน า, นาคาลการมีนามว่าอพระมหาโคธรรโคดมจากการที่สร้างบารมีในชาตินั้นเป็นระยะเวลายาวนานมากนะ นับภพบนับชาติไม่ท่วนได้เคยเกิดเป็นสิ่งต่างๆมากมายนะเป็นทั้งเศรษฐีทั้งกษัตริย์ทั้งคนยากคนจนเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจานต่างๆเนี่ยเป็นการที่การเกิดพระเจ้านี่ยากมากนะว่าต้องใช้เวลาสร้างบา ร, รมีถึงสี่สงไข่กับแสนมหากรับยาวนานมากนะี่ที่จะนำเอาธรรมะ ที่เป็นความที่วิเศษสุดเนี่ยมาสอนกับพวกเราสักครั้งหนึ่งให้พวกเราได้ยินนะอันนี้ก็เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพุทองค์นะครั้นี้เมื่อทรงแสดงในตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมาสามารถที่จะสรุปนะเนื้อความของท่านได้ไหมนะก็คือประการแรกนะท่านก็ชี้ก่อนว่านะคนเราเนี่ยมีความทุกข์นะมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ ถ้าผู้ใดไม่เห็นทุกตรงนี้ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะเพราะจริงๆเนี่ยเราอยู่กับทุกอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นนะก็เคยเมื่อก่อนก็เคยชวนเพื่อนที่เป็นคารวะให้มาปฏิบัติธรรมบอกมาปฏิบัติธรรมที่วัดดีกว่าเนาะอืมเขาก็ถามว่าจะมาปฏิบัติไปทําไมบอกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยความทุกข์ก็จะลดลงเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลย เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนใหญ่นะของคนทั่วไปก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันหิวก็ทานอาหารหง่วงก็ไปนอนเบื่อก็ไปเที่ยวนะเกิดความเครียดนะก็ไปดูหนังฟังเพลงนะมันก็เหมือนกับการแก้ทุกข์ไปในตัวอยู่แล้วนะมันก็ไม่เห็นทุกข์ตรงนั้นจริงๆนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะนะสามารถที่จะสนองกิเลสได้อย่างรวดเร็วนะ เพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่เมื่อไม่เห็นทุกข์แล้วเนี่ยก็ไม่มาปฏิบัติธรรมกั น, นเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติธรรมได้ผลดีนะก็จะเป็นผู้ที่มีเห็นความทุกข์อย่างชัดแจ้งนะในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่มากมายนะโดยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะเลยนะนางอปต a จ a ล า, านางกีสาโคตรมีต่างๆเยอะนะมีความทุกข์ต่างๆพอมาฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้เร็วนะ อันเนี้ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเห็นทุกข์ในตรงนี้ก่อนนะ พ, พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้แล้วนะเราหนีไม่พ้นหรอกเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายนะเ <c ười> นี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะแล้วนอก น, นั้นความทุกข์เหล่าเนี้มันก็ยังมีความทุกข์จอนมาอีกต้องมากมายนะตอนนี้เรานั่งนานๆอาจจะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยนะปรเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอิริบบทกันอันนี้ก็คือการแก้ทุกข์ทั้งนั้น ความหิวต่างๆ ต, ต, ต้องรับประทานทุกวันนะท้องเราเล็กแค่นี้มันทําไมจะต้องรับประทานอะไรมากมายใ น, ใ, นในท้องเราเนี่ยข้าวสารไม่รู้กี่กระสอบแล้วน ะ, ะหมูก็ไม่รู้กี่ตัวเป็ดไก่ปลาเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะมันท้องเล็กแค่นี้มันทําไมอ่บรรจุอะไรเข้าไปมากมายขนาดนั้นนะเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความหิวกันวันละสามสี่ครั้งนะ อพระนี่บางทีฉันแค่วันละมือ้อหรือสองมื้อเป็นอย่างมากเนาะแต่ถ้าเป็นโยมนี่วันละสี่ถึงห้ามือเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันทองเล็กนิดเดียวมันบรรจุอะไรกันมากมายขณะนั้นนะ ม, นมีความทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมครั้นี้ถ้าคนเราไม่มาพิจารณาตรงนี้นะมันก็ไม่ได้ล้นออกจากความทุกข์หรอกแล้วความทุกข์มันก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ชาตินี้ชาติเดียวนะ เขเรียกว่าความทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยนะความทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดยิ่งกว่าความทุกข์เมื่อกี้ที่กล่าวมาก็คือความทุกข์จากภัยในวัฏสงสารนะก็คือไม่มีผู้ใดหรอกนะที่ว่าอจะพ้นจากกังสารคือความเบียนบ้ายตายเกิดนี้ไปได้นอกจากผู้ที่สามารถที่จะละคายจักิเกลเได้หมดสิ้นนะบรรลุถึง นะความเป็นพระอรหันนะหตะผลนะคือสิ้นกิเลสไปแล้วเนี่ยก็จะพ้นไปแต่ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระอรหันตผลนะเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนะับภพนับชาติไม่ทืน่นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยาวไกลนะจนหาเบือเบ้องต้นเบื้องปลายไม่เจ อ, นะอ น, นี่แหละพระเจ้าได้ทรงมองเห็นตรงนี้นะว่าอนาคตนะเป็นอย่างไรนะไม่ได้มองแค่ในปัจจุบัน คนสมมติก็เมา อ, อยู่แค่ในปัจจุบันนะมีความสุขไปวันๆหนึง่งนะทั้งๆ ท, ที่คนเราบางทีโดยส่วนมากนะก็มีความเชื่ออยู่แล้วว่าเออการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีอยู่จริงนะพก็เคยถามมาเยอะแล้วละ่ะกลุ่มต่างๆก็เคยไปอบรมมาก็ถามแบบนี้ก็ปรากฏว่าเก้าสิบก้าเอร์ซ็นแล้วนะไม่ใช่เก้าิบห้าเป็นต์เ้าสิบเก้าเปอร์เซนตเขาใจเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเชื่อแล้วอ่าทำไมเขาไม่ได้หลนที่จะ ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตที่มันไม่ยาวนะแค่สันส้นๆเท่านั้นเองนะแปบ๊บเดียวเราหลับตาแป๊บเดียวโอ้ผ่านมาสิบปีแล้วนะหลัแบบตาแป๊บเดียวผ่านมายี่สิบปีสามสิบปีนะตอนนี้บางคนไปสองกระจกดูหน้าตัวเองนะก็ยังตกใจเองนี่ใชหน้านแล้วหรือเปล่าเนาะทําไมมันมีอตีนกาขึ้นเอทําไมมันหน้าเกลียดขนาด น, นี้นะ เ, เมื่อสิบปีก่อนเราก็ยังสวยวันนี้เลยนะ เนี่ยมันก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะสิ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ว่ายาวนานเพราะฉะนั้นอนาคตก็เหมือนกันนะอีกสิบยี่สิบปีมันก็ไม่ยาวนานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ใกล้ที่จะอเดินทางไปสู่ความสิ้นสุดในชีวิตเราอีกไม่นานนี้แล้วนะถ้าเราพิจารณาตรงเนี่ยมันก็เป็นความที่ว่าเราต้องไม่ประมาทนะแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถามพาโนนมา อนันท to ์ถ to ้า so, ดูกระนนเธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนนตอบว่าข้าพระองค์ระลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระเจ้าบอกว่าน้อยไปอานนท์ตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกในขณะพระเจ้าก็ยังระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือความไม่ประมาชนั่นเองนะแต่ผู้ที่ประมาทนั้นย่าว่าแต่ระลึกถึงวันละเจ็ดครั้งเลยนะบางทีปีนี้ก็ไม่เคยระลึกเลยแม้แต่ครั้งเดียว แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนนะแล้วตายแล้วจะไปอย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนเราประมาททั้งนั้นนะเพราะนั้นเมื่อ <c oughs> เมื่อประมาทแล้วนยก็จะไม่ได้หลน่นนะไม่ได้หลนเพื่อที่จะทํะาทความดีนะทําความดี <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วก็คื อ, อาหาคนทางพ้นทุกนันเองนะอันนี้ <c oughs> จริงเป็นความที่ไม่ประมาทพอเราคนส่วนใหญ่ประมาทแล้วนะ สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นว่ามองข้ามไปนะจะหาแต่ความสุขในปัจจุบันเท่านั้นนะบางทีเคยถามว่าเออถ้าจะตายภายในสามวันเนี่ยก็จะทําอะไรนะก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเขาจะหาความสุขให้เต็มที่นะอ่หากําไรชีวิตให้เต็มที่นะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเออจะไปบัตธรรมนะเนี่ยแค่ถ้ามีโอกาสสามบรสุดท้ายเนี่ยจะทําอะไร แต่ถ้าเราถามในตอนนั้นแล้ว <c oughs> เ, เรามีคําตอบในตัวเองแล้วเราคงทําไม่ทันนะเอออีกสามวันเราจะไปฏิบัติทำแล้วจะปฏิบัติได้ย่างไรในสามวนะ <c oughs> ันนะอันเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะเห็นว่าเออเราเกิดมานี่เรามีความทุกข์จริงๆนะต้องมองให้เห็นเนี้ยเราก็จะดิน้นรนเพื่อที่จะพ้นทุกข์นะครันนี้ถ้าเราเห็นความทุกข์แล้วนะ <c oughs> เราจะมองว่าชีวิตเนี่ย มันเป็นของที่น่าเบื่อจริงๆเลยนะน่าเบื่อมันมันไม่มีความสุขจริงๆนะสมัยอาตมายังอยังอยู่ในวัยหนุ่มนะตอนนี้คงแก่แล้วอยู่ในวัยหนุ่มนะเวลาไปไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นก็อยู่ในทางโลกเนี่ะเวลาเข้าหัวเลาะกันเราก็หัวเราะไม่เต็มเสียงนะหัวเราะไม่เต็มเสียงก็รู้สึกมันมีความทุกซ่อนอยู่ <S <S นะเวลาไปไหนสนุกมันก็รู้สึกเราสนุกไม่เต็มที่สกักทีนึ่งโอ้ แปลกๆนะอืมมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขจริงๆในโลกนี้มันเป็นของปลอมทั้งนั้นะไปไหนไม่มีความสุขเลยเห็นบางทีเห็นสิ่งต่างๆก็น่าเบื่อไปหมดนะคราวนี้มันชีวิตมันไปเป็นๆแบบนี้เนาะอืแต่ทำไมคนนึ่งเขามีความสุขกันนะทุกวันนี้บางทีไปเจอเพื่อนเก่าๆ ก, ก็ดูเขาก็ยังมีความสุขดีเขาก็ไม่เห็นว่ามีความคิดแบบเราสมัยนั้นนะ ออันนีบางทีมันเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเรามองเห็นในตรงนี้มันไม่มีความสุขแท้จริงมันก็น่าเบื่อนะชีวิตมันก็น่าเบื่อจริงๆมันไร้สาระะคนเรานี่มีชีวิตด้วยความไร้สาระไปวันๆหนึ่งนะไร้สาระในการที่ใช้ชีวิตอย่างอ่ไม่ได้มองเห็นถึงความจริงนั่นแหละเขาเรียกว่าไร้สาระเพราะถ้าใช้ชีวิตที่ไร้สาระแล้วอนาคตก็ต้องไร้สาระไปด้วยความเป็นสาระก็คือ เราจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่นั่นเองนะตรงนี้ก็คือคำถามที่เราต้องตอบในตัวเราเองถ้าเราตอบในตัวนี้ไม่ได้เราก็จะ เ, เดินผิดทางอยู่เรื่อยๆนะครั้นี้เมื่อพระุทองค์ได้ทรงเห็นแล้วว่าเออคนเรานะมีความทุกขนะ์นยแล้วทำอย่างไรจรึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ <c oughs> ก็ได้ทรงแสดงหนทางที่จะพ้นทุกข์ไว้แล้วนะว่าก็คือศีล สติสมาธิปัญญานี่แหละคือหนทางความพ้นทุกข์นะในรมมีองค์แปดนะก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาญโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็โดยสรุปก็คือศีลสติสมาธิปัญญานั่นเองนะอันนี้ก็คือหนทางที่จะหลุดพ้น เพราะถ้าผู้ใดไม่มีศีลแล้วนะผู้นั้นก็มีโอกาสที่จะไปสู่ใบภูมิได้อย่างง่ายดายนแะม้ว่าเราจะาทําบุญปริบัติธรรมสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราไม่มีศีลแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ปิดประตูใบภูมนะิเราก็ต้องไปเสวยชาตนะิในผู้ภูมิต่างๆมากมายนะอาจต้องไปตกนรกเป็นเปรตสุรกายเป็นสตรีชานนะเพราะว่าเราไม่มีศีลเนนะีเพราะฉะนั้นศีล น, นี่จึงเป็นขั้นแรกนะในการที่เรานะต้องมีกรอบ ในการดําเนินชีวิตประจำวันของเราอนะ่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาตามมานะเพราะคนทางเราเนี่ยมัเป็นทางที่พ้นทุกที่แท้จริงนะครั้นี้ความมีสติเนี่ยเขาเรียกวา่เวา เ, เป็นเป็นแม่นะของธรรมทั้งหมดคําว่าเป็นแม่ของธรรมทั้งหมดก็คือธรรมทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะสรุปรวมลงในสติได้นะเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยเป็นรอยเท้าของสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนะ ลอยเท้าของสัตว์อื่นก็สามารถที่จะลงมาในลอยช้างอรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดความเป็นสตินี้ก็คือเป็นแม่ของธรรมทั้งหมดนะเมื่อมีสติแล้วนะศีลก็ตามมาสมาธิก็ตามมาปัญญาก็ตามมาเมื่อไม่มีสตินะศีลก็ไม่มาสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่มานะอย่างเช่นในศีลห้านี่ยแหละถ้าศีลข้อที่ห้าก็คือการดื่มน้าเมานีณขาดไปแค่ข้อเดียวนะ ศีลข้ออื่นๆก็จะขาดไปได้อย่างง่ายดายนะเพราะความไม่มีสติในขณะนั้นนะสตินี้นะทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าสตินี้ <c oughs> เป็นการที่เรารู้เนรู้ตัวรู้กายรู้ใจเรานะในขณะปัจจุบันนี้นั่นเองนะไม่ได้ไปรู้ในอดีตหรือในอนาคตปัจจุบันนี้ในทางร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่เราก็รู้เท่าทันในขณะนั้นนะ ขณะนี้เรานั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นะหรือขณะนี้เรายกมือก็รู้ว่ายกมือนะสิ่งเหล่านี้เราสามารถรู้ทางกายได้อย่างง่ายๆนะบางทีเราอาจจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยปตินี่เราก็จะหลงไปนะยืนก็ไม่รู้กำลังยืนนั่งก็ไม่รู้กำลังนั่งนะนอนไม่รู้กำลังนอนนะทานอาหารกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานไม่รู้ว่ขาขณะนั้นกำลังทอะไร อันนี้ก็เรียกเป็นตัวหลงทั้งนั้นนะตัวหลงเนี่ยก็เรียกว่าขาดสตินะเราขาดสติในความที่เราไม so ่ร <cons> <Ana> ู้ว่าขณะนี้เรากลังทำอะไรนะก็เรียกว่าหลงไปเมื่อมันหลงไปมันจึงไม่รู้นะหรือขณะนี้เราคิดไปนะคิดไปในเรื่องต่างๆนะเราก็ไม่รู้ทันความคิดอันนั้นก็เรียกว่าเราหลงไปนะหลงไปเมื่อมันหลงไปแล้วความคิดมันก็เลยยาวนะมันจะยาวแล้วก็เข้าไปในลมต่างๆเกิดขึ้น บางทีคิดเป็นอดีตะถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่พอใจเราก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นในขณะนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าเราไปหลงคิดและหลงอารมณ์ไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเราเพลินเพลินเป็นอารมณ์ต่างๆะเพลินเป็นอดีตเพลินเป็นอนาคตอันนี้เป็นความหลงทั้งนั้นและความหลงนี้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะมันนําความทุกข์า <c oughs> านะกามาให้เราในชาตินี้นะแล้วก็ยังนําความทุกข์ให้เราในชาติต่อไปด้วย เพราะความหลงเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์ไปเลยฉานนะนนมันมีมันมีสิ่งเดือดร้ายตามมาเยอะแยะเลยจากความหลง <c oughs> ความหลงนี้มันเป็นตัวก่อภบก่อชาติที่แท้จริงนะเพราะเมื่อมันหลงคิดแล้วเนี่ยจิตก็จะไปปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆบางทีเราไม่ได้ไปทําอะไรเป็นความชั่วหรอกนะแค่จิตเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเป็นอวุโสบ่อยๆนะเออ่เห็นคนนูน้นคนนี้เราก็ไปคิดอย่างรู้อย่างนี้นะคิดอิจฉาเขา คิดตำหนิตีเตียนเขาคิดคิดเพ่งโทษเขานะคิดร้ายในทางต่างๆต่อเขาอันนี้ก็เป็นกรรมทางนั้นนะเป็นอกุศลจิตพรา ก, กรรมมันสามารถเกิดได้ทางกายทางวาจาและทางใจนะทางใจเขาเรียกมโนกรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่เกิดทา ง, ทางใจเนี่ยมันก็อันตรายรุนแรงทีเดียวนะบางทีเราไม่ได้ไปทําหรอกแต่เราคิดกรรมที่ไม่ดีไปอยู่บ่อยๆก็ชื่อว่าเราสะสมมโนกรรมนะมันก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้กับเราได้ เริ่มเมื่อคิดในทางที่ไม่ดีบ่อยๆมันก็อาจจะทําในสิ่งเหล่านั้นนะทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายนะก็เพราะว่าใจเนี่ยเป็นหัวหน้าใจนี่เป็นใหญ่มโนปุพังขามาธรรมามโนเศรามโนโมายาบุคคลมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยเมื่อมีสติแล้วนะมันจะต้องคิดนะในทางที่ดีในทางที่ถูกในทางออกจากทุกข์ทนะั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเรา เรามีความหลงในสองอย่างก็คือหลงทางกายก็คือไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรหลงทางใจก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังคิดอะไรกําลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นเป็นความหลงทั้งนั้นเลยผู้นี้เป็นคนที่ขาดสติทั้งนั้นนะแต่ผู้ที่มีสติก็เป็นผู้ที่สามารถระลึกได้นะหรือรู้เท่าทัานในขณะ น, นี้ว่าขณ ะ, ข น, น, ะข น, นี้เรากำลังทําอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังคิดอะไรขณะนี้เรากําลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติ พราสติคือความระลึกได้สำชัญยะก็คือความรู้ตัวระลึกได้ก็คือระลึกรู้ไปในอาณ์ต่างๆรู้ตัวคือรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะเนี่ยสตินี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาเจริญทำให้มากขึ้นเรื่อยๆเดีนะ๋ยวเมื่อกี้ที่เราเอาเราจะเคยสวบดบทว่าปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดฐะตัดฐะวิปัสสติ อสังหีลังอสังกุปปังตังวิธามนุพรูเฮเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนงานคลอนแคนเขาควรพอกคูนอาการเช่นนั้นไว้นะคำว่าธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นก็คือในขณะปัจจุบันนี้นั่นเองนะอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละว่าเราสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราขณะนี้ได้ไหม สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราในขณะนี้ก็คือความรู้ตัวความรู้สึกตัวในขณะนี้เท่านั้นเองนะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นเป็นการเกิดขึ้นตรงๆในปัจจุบันแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับรู้ในตรงนั้นก็ชื่อว่าเราหลงไปะเ<ม>ช่ขนขณะนี้บางคนอาจจะกาลังยกมืออยู่นะเออถ้าเรารู้การเคลื่อนไหวของมือในขณะ น, นี้ก็ชื่อว่าเราารู้เท่าทันปัจจุบันแต่ถ้าเรายกมือก็จริงนะ แล้วเรามีความคิดไหลเข้าไปในเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ตัวในขณะที่เรายกมืออันนี้ก็ชื่ว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนะความเป็นปัจจุบันก็คือเรารู้ในขณะนี้นั่นเองว่าเรากำลังทาอะไรอยูนะ่อาศัยการรู้ในปัจจุบันนี้นะมาทำให้เกิดนะความรู้สึกตัวขึ้นมาและความรู้สึกตัวนี้เองนะมันเป็นฐานที่ทำให้เราเกิดสติก็คือการรู้เท่าทันนะไปในอารมณ์ต่างๆนะรู้เท่าทัน อไปในความคิดนะเป็นอาร่ณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกตัวนี่เองเป็นฐานฐานแห่งการที่เครื่องระลึกได้นั่นเองนะคนเรานะถ้าหากว่าปล่อยให้จิตใจอ่านะคิดไปในเรื่องต่างๆเป็นความฟุ้งซ่านนั้นนีงเขาเรียกว่าจิตไม่มีกําลังนะจิตไม่มีกําลังนะความที่จิตไม่มีกําลังมันก็เป็นการที่เรียกว่าเราสูญเสียสองอย่างก็คือพลังงาน พลังงานที่มันไม่มีกำลังความคิดนี่แหละทำให้พลังงานในสูญเสียไปอย่างรวดเร็วนะนักบริหารนี่จะเหนื่อยยิ่งกว่ากรรมกรนะเพราะนักบริหารนี่ใช้ความคิดเยอะเพราะยิ่งเราคิดเยอะเนี่ยพลังงานเราก็จะสูญเสียไปนะในขณะที่เราคิดเยอะนั้นเราก็มีความทุกข์ในความคิดนั้นไปด้วยนะนะเพราะว่าความคิดนั่นแหละมันจะปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆ แต่เมื่อเราสามารถที่จะรู้สึกตัวได้นะความคิดต่างๆก็จะน้อยลงนะก็เรียกว่านะรูนะ้โดยไม่คิดนั่นเองนะรู้โดยไม่คิดถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยความคิดก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราสามารถที่จะรู้ทันอนะจากความคิดที่ยาวยาวเหยียดนะมันก็ค่อยๆสั้นลงเป็นช่วงสั้นๆช่วงสั้นๆนะยิ่งเราสามารถที่จะระลึกได้บ่อยๆ ความคิดเหล่านั้นก็สั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆการที่ความคิดสั้นลงเรื่อยๆนั่นแหะมันเป็นการอ่าไปขย่าให้จิตเนี่ยมีความตื่นตัวขึ้นมานะจิตที่จะตื่นตัวขึ้นมาก็คือสามารถที่จะรู้ทันความคิดเหล่านั้นเมื่อความคิดเหล่านั้นรู้ทันแล้วก็ดับไปนะจิตจะตื่นตัวขึ้นมาทุกๆครั้งนะเพราะว่าโดยวิธีนี้แหละมันจะเป็นการที่เรา ไปสร้างาธาตุรู้หรือตัวรู้เนี่ยให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะพอเรารู้บ่อยๆแล้วเนี่ยความหลงก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆเมื่อความรู้มาขึ้นความหลงก็จะลดลงนั่นแหละความทุกข์เราก็จะน้อยลงนะยิ่งเรารู้เท่าทันนะความคิดและลมบ่อยๆนะนั่นแหละทําให้กิเลสเราเนี่ยลดลงไปด้วยเนะพราะกิเลสนั้นจริงๆก็เกิดจากการที่เรารู้ไม่ทันอารมณ์ เมื่อรู้ไม่ทันอารมณ์มันก็ไปปรุงแต่งต่อให้อารมณ์เหล่านั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นมีใครเข้ามาตําหนิเรามาว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันแค่นั้นมันก็ดับไปแล้วนะเอมันไม่ไปปรุงแต่งต่อหรอกหรือจริงๆแล้วเราแค่รู้เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความที่เราเข้าไปในอารมณ์ต่างๆก็เพราะว่าเราไปปรุงแต่งต่อว่าเขามาว่าเรามาตําหนิเราการที่ไปปรุงแต่งต่อนั่นแหละอะเขาเรียกว่าเราเราหลงไปนะเราหลงไปในอารมณ์เหล่านั้น แต่ถ้าเราสามารถที่จะไม่ปรุงแต่งต่อเขาเรียกว่ารู้เฉยเฉยนะมันก็จะไม่ไปปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมานะเ อ, อใครก็มานินทาเรามาว่าเราเรารู้เฉยเฉยก็พอแล้วการรู้เฉยเฉยนี่เป็นสิ่งที่ อ, อยอดเยี่ยมที่สุดนะเมื่อรู้เรารู้เฉยเฉยในะจิตก็จะเป็นกลางกับอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตเป็นกลางแล้วนะความปรุงแต่งมันก็ไม่มีมันก็ดับไปเองนะ แต่ถ้าเราไม่รู้เฉยๆจิตก็จะไม่เป็นกลางม้นมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนี่แหละมันก็จะนําไปสู่ความมุงแต่งซึ่งนําทุกข์มาให้เราอันนี้รู้เฉยๆนี่มีความสําคัญอย่างไรนะอพระพา ย, ยะนะอในสมัยที่ท่านเป็นค า, ารวะเนี่ยท่านก็เป็นพ่อค้าทางเรือแล้ววันนึ่งก็สำเภาก็ล่มท่านก็อ่ขึ้นฝั่งก็ปรากฏว่าเสื้อผ้าก็หลุดลุย่ยนะแล้วก็เลยเอาใบไม้เนะี่ยมานุ่ง ก็เดินทางเข้าเมืองชาวเมืองก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะว่าไม่ได้ติดใจในสิ่งใดๆนะแต่ท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ก็รับสม่างนันเองนะก็มีวันหนึ่งมีผู้ที่บอกว่าขณะนี้พระเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วนเะพราะได้ยินคําว่าพระเจ้าพระพายะก็อยู่ไม่ไหวนั่นก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อที่จะไปฟ้าพรธเจ้ า, เ, จาเมื่อไปถึงก็ขณะนั้นพระเจ้าก็บินาบาตรอยู่ท่านก็ไปขอฟังธรรม พระเจ้าบอกสถานที่นี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะแสดงธรรมเดี๋ยวกลับไปที่วัดก็จะแสดงให้ฟังอ่ท่านก็ขอร้องคั้นที่สองขันทีสามพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังสั้นๆว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้จักไม่มีในโลกหน้าจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละ คือถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะพระพายะได้ฟังเพ า, เานี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ก็คือธรรมะที่ระดับสุดยอดเลยน ะ, ะการที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนี่ก็คือการรู้เฉยในการเห็นนั่นเองนะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่ก็คือการรู้เฉยนะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดในเรื่องอะไรก็รู้เฉย ความรู้เฉยนั่นแหละอมันจะทําให้จิตเป็นกลางลไม่ไปปรุงแต่งต่อเมื่อไม่ไปปรุงแต่งต่อแล้วเนี่ยอจิตก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์ทั้งปวงนะบรรลุเป็นพระรียเจ้าได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วะคนเราถ้าสามารถที่จะรู้เฉยในเสียงต่างความทุกข์เราก็ไม่เกิดแล้วนะเอเพราะเราเนี่ยกระทบทั้งวันนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้ทั้งวัน เราจะรู้เฉยๆได้ไหมนะแต่ส่วนมากเราก็รู้ไม่ได้นะถ้าเรารู้เฉยๆได้เนี่ยเราก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้แต่สิ่งเราต้องมาทํากันถ้าเป็นทับตายดวงวันเนี่ยก็เพื่อให้เรากลับมารู้เฉยๆเท่านั้นเองนะกลับมารู้เฉยๆด้วยใจที่เป็นกลางนะแค่นั้นเองนะแต่กว่าจะถึงตรงนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาที่จะสะสมนะในศีลสติสมาธิปัญญาอย่างมากมายเพื่อที่จะให้เข้าถึงตรงนี้น ะ, าะการรู้เฉยๆวนะ่าการรู้เฉยนั้นมันไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแล้ว นะถ้าใจของเราไม่ปรุงแต่งนะมันก็จะออกจากความทุกข์ได้เองเพราะฉะนั้นคนที่ใจไม่ไปปรุงแต่งก็คือผู้ที่ใจไม่ยึดมั่นในสิ่งต่างๆการที่เรายึดมั่นนะั่นแหละเป็นความทุกข์ยิ่งยึดมั่นมากก็ยิ่งมีความทุกข์ามาก ย, ย, มยิ่งยึดมั่นน้อยกม็มีความทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นเลยเลยก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อใจมีความเป็นกลางมีความเฉยๆต่างๆนั่นก็คือใจเร า, าไม่มีความทุกข์ใจเรามีความทุกข์น้อยลงนะ อันนี้ก็คือเราให้สักแต่ว่ากับเสียงต่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะการเห็นรูปหูดินเสียงหรือเสียงต่างที่มันกระทบในอยนายตนะทั้ง6นะให้เรารู้เฉยเท่านั้นเองนะนี่แหละเป็นหนทางแห่งการออกจากความทุกข์ที่แท้จริงและรวดเร็วนะก็ขอทุกท่านถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วทุกท่านเทิญ